ภาพหมายความในกิจเอาไปยังนี้ดีกว่าพูดภาษาชาวบ้านไม่เข้าใจมันก็ไม่เป็นเรื่องมานึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาได้ถึงเวลาสี่ทุ่มทุกวันก็จุดทูปจุดเทียนนมัสการป ร, รารถนทัยต่อจากนั้นไปก็ตั้งตั้งใจปรงวิปัสนาญานวิธีปรงวิพัสนาญานไม่มีอะไร ไม่ได้เอาอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทำไมาใช้ใช้ของที่เคยใช้และก็ใช้ได้ผลมาแล้วคำว่าได้ผลมาแล้วก็หมายความว่าพระนิพพานที่ไม่เคยคิดว่าจะยาาิ ก, กายเข้าไปถึงแต่ก็เข้าไปถึงมาแล้วโดยใช้เวลาฝึกจิตเพียงสามวันแค่สามวันเท่านั้นนะไม่เต็มซะด้วย ในวันสองวันกว่านี้เพราะวันเวลาไม่ครบนับชั่วโมงไม่ครบโดยมีอารมณ์จิคิดว่านี่เราจะตายญาติไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องใดๆไม่มีเพื่อนฝูงของเราไม่มีทรัพย์สินของเราไม่มีมร่ากกายอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเพราะมันจะพังสลายตัวไปแล้วร่างกายอันใดก็ดีทรัพย์สินอันใดก็ดีพวกพ้องอันใดก็ดีที่ประกอบปฏิพันธ์ธนคําว่าพานในที่นี้หมายความวงง่างงพานละพอพานสะอานรอลิง <c oughs> ตัวนี้จะแปลว่าอ่อนหรือก็แปลว่างงู ทานดับพานแล้วก็นี่ว่าโง่มากงโง่หมดึดทั้งบอดทั้งโง่ดัานนี้เรี่ว่าพานกปลว่าโง่ที่กล่าวว่าคนทุกคนเป็นพานแต่ความจริงไม่ใช่ด่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไอ้คําว่าพานในที่นี้มันหมายถึงบจิตของอาตมาเองเป็นพานจิตมันเลวที่เป็นหลงคนไปคิดว่าคนนั้นเป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้อง คนนี้เป็นเพื่อนรักของเราเราจะต้องอยู่กับเขาเราจะรักเขาได้ตลอดเวลาเขาจะรักเราตลอดเวลาเราจะไม่ตายจากเขาเขาจะไม่ตายจากเราและก็ทรัพย์สินต่างๆคนดีจะต้องเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาไม่สูญไปไม่สิ้นไป <c oughs> ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของความโมกของอาตมา แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่างโง่และจะเห็นว่าฉลาดก็เป็นเรื่องของท่านแต่ตาหมาเห็นว่างโง่ที่งโงก่กเพราะว่าบรรดาสิ่งตัวดีสิ่งที่มีชีวิตกปด็ดีต่ อ, อยู่ในสภาพอนัตตาเหมือนกันหมดมันมีสภาพจะไหลายตัวเวลานั้นคิดอย่างเดียวว่าสภาพร่างกายมันกําลังจะสลายตัว ทรัพสินต่างๆย่อมมีประโยชน์เมื่อตาภาพรงอยู่เท่านั้นแในบรรดาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผูงอะไรก็ตามจะมีประโยชน์แต่เฉพาะเวลาที่อาภาพรงอยู่เท่านั้นเมื่อตาภาพร่างกายสลายตัวแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะแบกไปได้เรารักพ่อรักแม่แล้วแบกพ่อแบกแม่ของเราไปได้ไหม เรารักพี่รักน้องรักสามีรักภรรยารักบุตรักหากลานรักเด็รกรัรกทรัพย์รักศิลรักร่างกายของเราแล้วมีอะไรบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดดูที่คนตายนำเอาไปได้ถ้าท่านไม่เคยตายแล้วยังไม่คิดว่าท่านจะตายก็จงไปดูคนอื่นที่เขาตายก่อนว่าเวลาเขาตายจริงๆเขานาอะไรไปได้บ้าง มีไหมไอสสนะมสไม้สิ่งที่เราคิดว่าสวยแล้วมันสวยจริงไหมสิ่งที่เราคิดว่าดีมันดีจริงไหมสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่เป็นชีวิตเ ป, เป็นของที่มีชีวิตอย่างคนและสัตว์ก็ดีวัตถุของใชก้ก็ตามบ้านเรือนที่อยู่ไปที่อาศัยก็าตามที่เราว่าสวยเราว่าดีมันตรงสภาพหรือเปล่า มีความเสื่อมมีความทุดโสมมีการอัติอันตรธานในระหว่างหรือเปล่านี่ใกล้ก้ลงไปให้ดีดูคนอื่นเขาา้าใจมองตัวไม่เห็นแล้กวก็มองคนอื่นก่อนเมื่อมองคนอื่นแล้วก็มามองดูตัวว่าตัวเรานี่จะมีสภาพเหมือนเขาหรือว่าพิเศษกว่าเขาเขากินข้าวเรากินอะไรเขาเดินได้เราเหาะหรื อ, อยังไง เรียกว่าเขาหิวเขาหิวเป็นไหมเขาหนาวเขาร้อนเขาป่วยไข้ไม่สบายอาการอย่างนี้ปรากฏก่บเราหรือเปล่าเขาเป็นเด็กมาแล้วถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นคนแก่บางคนไม่ทันแก่ก็ตายเราเคยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเขาหรือเปล่าถ้าเรามีอาการต่างๆในตอนต้นเหมือนเขาในตอนท้ายมันก็เหมือนกันมันก็ต้องตายเหมือนกัน นี่ขณะนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดเท่านี้คิดว่าเมื่อเราจะตายแล้วอะไรแล้วที่มันเป็นของเราคนอื่นเ็าตายใครนำอะไรไปได้บ้างในเมื่อเขานำไปไม่ได้แล้วเราเองจะนำอะไรไปได้บ้างเขานำไปไม่ได้เราก็เป็นผู้นำไปไม่ได้เหมือนกันในอารมณ์จิตคิดอย่างนี้คิดว่าไม่มีอะไรทั้งหมดพวกกันยังง่าย คิดเวลาไหนท่านอาจจะถามคิดทุกเวลาทุกเวลาที่ลืมตายขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าจะทำอะไรขึ้นมาก็าตามก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นเจ้าของมันตลอดกาลจะมี อ, อะไรก็ตามก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะเป็นเจ้าของมันตลอดการคนที่อยู่ร่วมกันก็ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดการ คนที่เคยรักกันชอบพอกันคบค้าค้าสมาคมกันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะคบกับเขาได้ตลอดการตลอดสมัยมี่คนที่พูดอะไรให้ฟังกูเหมือนกันก็เคยคิดเหมือนกันว่าคนพวกนี้อาจจะกลับคําพูดเฉมาอลไยก็ได้เพราะโลกเป็นอนิจจ์หาความเที่ยงไม่ได้เมื่อความเที่ยงมันไม่มีแล้วถ้าเราไปยึดถือก็ปรากฏเป็นความทุกข์ ในที่สุดสภาพการต่างๆที่เราตั้งความปรารถนาไว้มันก็ไม่สมหวังมันมีการสลายตัวเป็นอนัตตา <c oughs> เลยคิดว่าเราไม่เอาอะไรเลยดีกว่าแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องการนี่เป็นความคิดตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นี่คิดอยู่อย่างนี้ก็พอดีเมื่อใหร่ควรจิตสบาย เหนสภาพของจิตสะอาดมองดูในไปในจิตคือสภาพของวิญญาณที่สะชอบเกิดกันเราเรียกกันว่าจิตดีกว่ามันถูกดีถ้าเรียกว่าวิญญาณมันจะไปชนกับวิญญาณที่มากับขันห้าเท่าจะเป็นเรื่องเสียงกันแยกเสื้อกอให้ชัดมันจะได้ดีเข้าใจ ง, งา่ายๆเห็นจิตมีสภาพของใสไม่มีสีอะไรปรากฏ เป็นสีเปรือกายพืย้นทั้งตัวเปิดความสุดอย่างนี้ก็เรียกวาจิตตานุปฌนามหาปฏิปทานหรือยยเรียกว่ากันโนยายนก็เรียกวาเจตุกริยะติยาณใชอารมณ์สมถะเข้าช่วยไม่เห็นจิตท่องใสแล้วก็ระงับจิตระงับจิตจากความคิดก็ตั้งจิตเข้าสู่ภาวนาในด้านสมถะภาวนา พอใช้สมถะภาวนาจับถึงฌานถึงที่สุดถึงอารมณ์ของฌานสี่ในรูปฌานแล้วก็นำเอากระพรกสิงขึ้นมาเป็นนิมิตเพื่อพากระสิง์เข้าสู่อารมณ์ฌานเป็นอาการสานัญจาเจตนะวิญญาณัญจาเจตนะเนวสัญญาณสัญญาเจตนะและวกินเจนญาเจตนะไม่ทกี้ว่าอะไรบ๊ะบังก็เปลือยเหมือนกัน คืออรูปใบชานมีสี่คืออากาสันญอากาสานัญจาญตนะวิญญาณันจายตนะอากิญญาญาตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะทำแท้คล่องประเดี๋ยวมันคนได้เข้าชานเป็นของไม่ยากเมื่อเข้าถึงอรูปใบชานแล้วก็ถอยหลังมาหารูปใบชานตั้งจิตอยู่ในอุปจาระสมาธิ เป็นภาวะจิตที่สามารถจะเห็นอะไรได้ในทันทีทันใดนั้งก็ได้เห็นองค์สมดัิเดชประจอมไตรบรมัาสดาสัมมาสัพุทธจาว่าทับอยู่ข้างขวาร่องมีพระพุทธบัญชาว่าสัมเเกสีเธอจงนอนนอนฟังแต่ถาคตพูดแล้วเธอจงคิดตามที่ถาคตพูด ในตอนต้นนี้พระองค์มาทรงสอนอริยรสัจตนคือทุกข์สัจให้พิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายมากก็เป็นของที่บรรดาเจ้าพุทธบริษัท ฟ, ฟังมาแล้วเยอะท่านพูดวนไปเวนมาให้คิดชา้าคิดตามแบบช้าๆสอนอยู่อย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือน ทุกคืนนะเรี่วันสี่ทุ่มตั้งกลมาเป็นลายเห็นภาพเห็นภาพพระองค์สว่างสวัยเต็มห้องไฟในห้องดับหมดแต่ก็ในห้องสว่างมากกระแสโคมไฟฟ้าที่ใช้และพระวรกายของพระองค์ก็สดใสสวยสดสดงามบอกไม่ถูกความเห็นความสวยงามที่เคยเห็นมาแล้วเพียงใดวันนี้ก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้น แล้วองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันมรรมาสัจจนาก็มีพระพุทธดีกาจากัดเตืีอนพรสัมภคเกสีคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้นั้นต้องเห็นโลกเป็นทุกข์ทุกมงุงหมายความว่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งหมดสิ่งที่มีในโลกจะ เ, เป็นสิ่งที่มีชีวิต ก, ก็ดีวัตถุ ก, ก็ดีหรือแม้อารมณ์ก็ตาม สิ่งดั้งหลายเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความทุกทั้งนั้นไม่มีสภาวะใดๆแน่นอนไม่มีสภาวะใดๆตกอยู่ในความไม่คงนี่หมายความว่าเธอจงเห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตก็ดีและสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีหรืออารมณ์ต่างๆของของชาวโลกก็ตามเป็นเหตุแห่งความทุกข์ เป็นผู้นำมาซึ่งความทุกข์ทำความเร่าร้อนให้ปรากฏ น, นี่หมายความว่ารูปกายทั้งหลายนั้นสิ่งที่มีชีวิตเกิด่าด้วความทุกข์อาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยคือการที่จะทรงตัวอยู่ได้ในทรงตัวอยู่ได้เพราะอาศัยความทุกข์เป็นเหตุเพราะว่าการกิจกายงานทั้งต่างในโลก ที่จะสำเร็จผลเป็นเงินเป็นทองเป็ น, อปนของใช้เป็นมาเพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยทั้งนั้นถ้าไม่มีความทุกข์เป็นเครื่องประกอบไม่มีความทุกข์เป็นประทัดฐานสิ่งเหล่านั้นเขาจะหามาไม่ได้ในนบรรดาท่านพุทธบริสัทองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสัสสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้าอาแย่พูดไปให้มากคนก็ทาจะไม่ดี พอเวลาของเจะาหน้าที่จะเลยไปอีกแล้วขอย้ำอีกนิดตามที่เวลามีว่าบรรดาคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสอนในทุกกสัจว่าอะไรบ้างคอยรอฟังกันวันพุธนาวันนี้ขอย้ำลงไปที่ว่าก่อนที่จะหมดเวลาขอย้ำลงไปว่าท่านเห็นหรื อ, อยัง ว่าคนละสัตว์ในโลกที่เกิดมาแล้วนี้ตายทั้งหมดลองพิจารณาดูที่ว่ามีใครบ้างที่จะเหลืออยู่และมีใครบ้างที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีใครบ้างและมีวัตถุอะไรบ้างที่จะไม่มีการเก่าไม่มีการสลายตัวมีไหมเมื่อเห็นว่าสิ่งเราอื่นใยลอกมีก็ยังคิดถึงตัวทา่าน ว่าตัวท่านเองนี่ตั้งแต่เกิดมาแล้วมีสภาพเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเคยเป็นเด็กไหมเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวไหมเคยมีความสุขมีความทุกข์ไหมความสุขจริงๆที่เกิดมาแล้วใด้กี่นาทีต่อหนึ่งวันหม่ยความว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงในเวลา24ชั่วโมงท่านมีอะไรเป็นความสุขกี่นาที แม่พูดอย่างนี้แล้วคนที่กำลังเมามันอยู่อาจจะมองไม่เห็นว่าอะไรมันเป็นความสุขอะไรมันเป็นความทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าพูดไปเวลามันก็เลยเอาไว้ฟังกั น, น, นวันพุธหน้าวันพุธหน้าจะนำเอาทุกข์กรสับที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าครูตรัสสอนไว้มาพูดให้ฟัง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทไปก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนขมงคลสมบูรณ์ปุณพนยงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธสาวชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีล จะมาทานพระกรรมฐ า, านแล้วต่อที่นี่ไปขอได้โปรดฟังคําแนะนําอารมณ์ของประโสดาบันสําหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นประโสดาบันท่านนั่นหลายจะได้ทราบด้วยว่าคนที่เป็นประโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นยังไง ส่วนใหญ่ของคนทั้งหลายมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานเพือสมถะ ภ, ภาวนาลุบี้ปัศนาภาวนาพอเริ่มเข้ามาเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดหมดนั่นเป็นความรู้สึกผิดของท่านที่มีความคิดอย่างนั้น ความจริงการเจริญพระสมณธรรมม่อารมณ์เป็นขั้นขั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านที่ทรงจิตเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออปนามสมาธิสำหรับอปนามสมาธินี่หมายถึงอารมณ์ฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปด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 ถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้มโนยิทธิก็ดีได้พิญญาห้าในพิญญาหกก็ดีได้สองในวิชาสามก็ดีก็ยังไม่มีความหมายในการตัดอบายภูมิท่านที่ตัดอบายภูมิได้จริงๆก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป คำว่าประโสดาบัญแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานฉะนั้นประสูดาบัญก็ยังตัดอะไรไม่ได้หมดเปียงแต่เพียงว่ามีอารมณ์ชนะสังโยชน์สามประการเบื้องต้นแต่เพียงอย่างหยาบเท่านั้นอารมณ์ชนะสังโยชน์สามประการเบื้องต้นก็คือหนึ่งสกายทิฐิ ที่มีความรู้สึกว่าแตภาพร่างกายหรือว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราเรามีในขันห้าขันห้ามีในเราเฉพาะอย่างยิ่งในอันได้สกายยะทิฏฐินี้พระโสดาบันลดลงมาได้เพียงเล็กน้อยยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่ แต่ถ้าว่ามีอารมณ์ไม่ประมาทมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายนี่แต่งกล่าวว่าปัญญาพระโสนาบังกับพระสีทาคามีเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อย คำว่ามีสมาธิเล็กน้อยคืออารมณ์สมาธิของท่านผู้เจริญฌานสมาบัติมีอารมณ์ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปยังไม่ถึงฌานสี่ก็สามารถจะเป็นปโสดาบันได้สำหรับที่ว่ามีปัญญาเล็กน้อย